ในสมัยพุทธกาลก็มีคนแกะสลักหรือปั้นรูปพระพุทธเจ้าไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเอามาทําไมว่าจะได้อ่าลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกนี้ไม่ใช่เราเราคือคําสอน ถ้าอากจะระลึกถึงเราให้ระลึกถึงคําสอนเพราะคําสอนนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราเป็นที่พึ่งถ้าเราอยากจะพึ่งพระพุทธเจ้าเราต้องพึ่งคําสอนเพราะว่ารูปปั้นต่างๆนี้ พิ่ไม่ได้คุ้มครองรักษาจิตใจของพวกเราให้แค็งแกร่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายไม่ได้สิ่งที่จะคุ้มครองปกป้องรักษาใจของพวกเราให้ปลอดภัยจากความทุกข์จากภัยต่างๆภัยที่สําคัญก็คือภัยแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ต้องมีคต้องเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะสามารถคุ้มครองจิตใจของพวกเราให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้เพราะว่าถ้าเรามีคำสอนเราก็จะรู้วิธีที่จะกำจัดทุกภัยต่างๆให้มัน หมดสิ้นไปจา ก, กจิตใจของพวกเราการมีรูปเหมือนรูปวาดรูปปั้นหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ไม่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาทรงเน้นให้สร้างพระธรรมขึ้นมา ดยการศึกษาพระธรรมคำสอนด้วยการปฏิบัติพระธรรมคำสอนถึงจะได้ที่พึ่งเออได้มากผล น, ผนิพพานได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆมีพระพุทธรูปเป็นร้อยรูปร้อยองค์องค์ใหญ่เท่าภูเขาอย่างเขาชีจันเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์ได้ใจก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาของความรู้ความรู้ที่เรียกว่าแสงสว่างแห่งธรรม พอมีแสงสว่างก็จะเห็นสิ่งต่างๆเหมือนกับตอนที่เราอยู่ในที่มืดยามค่ำคืนถ้าเราอยากจะเห็นสิ่งต่างๆเราก็ต้องมีแสงไฟเพราะจึงมีไฟฉายกันะผลิตไฟฉายออกมาโดยเฉพาะบนเขาเนี้ต้องใช้ไฟฉายใช่ไหมปอนมีไฟฉายป่ะ เพราะว่าบนนี้ไม่มีไฟฟ้ามีแสงเดือนแสงดาวแต่บางช่วงมันไม่มีแสงเดือนมันมืดก็ต้องมีไฟฉายจะเดินไปไหนยามค่ำคืนนี้ถ้าไม่มีไฟฉายจะเป็นอันตรายได้เพราะมีสัตว์ชนิดต่างๆอาจจะ เลยคลานไปมาบนทางเดินถ้าไม่มีไฟฉายซะก็จะไม่เห็นอาจจะไปเดินเหยียบเคยถูกกัดมาแล้วเนี่ยเราก็เดินแบบไม่มีไฟฉายไม่ได้ใช้ไฟฉายก็เลยไปเจอมันกัดเข้าวันหนึ่งเนี่ยถ้ามีไฟฉายมันก็จะเห็นที่ไม่ได้ใช้เพราะประหยัดฐานคิดว่าพอจะเห็นเห็นแสงสลัวสลัว เห็นจากแสงปุแสงดแสงดาวแสงอะไรแต่วันนั้นตัวนี้มองไม่เห็นตอนตอนคิดว่าเป็นกิ่งไม้ไปเตะกิ่งไม้ที่มีน้ำพอใช้ไฟดูว่าเป็นงูแต่ไม่งูไม่ใหญ่งูกระปะตัวเล็กๆเท่านิ้วโป้งเท่านิ้วชี้นขนาดยาวสักคืบกว่า แต่พิษมันร้ายพิษมันทำใหเ้เส้นเลือดนี่ดำเลยเส้นเลือดดาแล้วก็ถ้าไม่ไปรักษามันจะทำให้เลือดไม่ไม่แข็งตัวพิษของยาของงูกระปะานี้ไม่ตายแบบงูเหา่าทันทีมันไม่ได้ไปทำลายประสาทแต่มันไปทำลายระบบการแข็งตัวของเลือด ถ้าเกิดมีเลือดออกที่ไหนมันจะไหลไม่หยุดก็เลยต้องไปโรงพยาบาลแล้วหมอก็ให้ยาซีรัมาเียซีรมตอนต้นให้แล้วเขาก็เอาเลือดไปตรวจให้แล้วยัง6ชั่วโมงก็ยังไม่แข็งตัว แสดงว่ายาไม่พอเขาก็จะให้ขวดหนึ่งขวดขนาดกล่องนมเนียให้ผ่านทางสายสายยางพอขวดที่สองหลังจากนั้นหกชั่วโมงก็เอาเลือดไปตรวจอีกทีมันมันเริ่มแข็งตัวแล้วธรรมดาเลือดของเราถ้ามันไหลมันจะแข็งตัว แต่ถ้ามีพิษไอ้ตัวนี้เข้าไปแล้วมันทาให้เลือดไม่แข็งตัวแล้วปวดด้วยพิษของยาพืชพิษของของงูนี่พอมันเข้าไปในเส้นเลือดแล้วมันกัดที่เท้าประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี้มันเริ่มเดินไม่ไหวแล้วเจ็บต้องนั่งรถเข็นอันนี้ก็ปูดถึง เวลาไม่มีแสงไฟก็จะมองไม่เห็นอะไรเวลาไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมก็จะมองไม่เห็นงูที่จะมากัดใจของพวกเรางูที่คอยกัดใจของพวกเราคืออะไรก็คือกิเลสตัณหาต่างๆนะที่ใจเราทุกข์กันวุ่นวายกันนี่แสดงว่าถูกงูกัดแล้ว ถูกกิเลสตัณหากัดนะแต่เรากลับไปเห็นมันว่าเป็นเป็นปาลาไหลเห็นงูพิษเป็นปาลาไหลชอบอชอบเล่นกับมันชอบเล่นกับปาลาไหลชอบเล่นกับกิเลสตัณหาชอบไปกับกิเลสตัณหากิเลสตัณหาชวนไปไหนก็ไปอชวนไปเที่ยวก็ไปอ ชวนไปดูหนังฟังเพลงก็ไปชวนไปหาแฟนก็ไปชวนไปหาเงินทองก็ไปชวนหาตำแหน่งหาอำนาจวาสนาก็ไปชวนหารางวีรางวัลต่างๆเห็นไหมเมื่อวานนี้มีข่าวไหมคนไทยไปตีกอล์ฟที่อเมริกาได้รางวัลที่หนึ่งนะ นี่ก็ไปตามกิเลสตัณหาถ้าไม่ชนะก็เสียใจแล้วทีนี้ชนะก็เครียดแล้วทีต่อไปครั้งต่อไปจะชนะอีกหรือเปล่ามันถูกความกดดันนะใจก็ถึงแม้จะมีความสุขจากการได้รับรางวัลแต่ก็มีความกดดันที่จะ รักษาตำแหน่งหรือเพิ่มชัยชนะให้มีมากขึ้นไปเพราะได้อันหนึ่งแล้วมันก็อยากจะได้อีกอันหนึง่งได้งานมันก็อยากจะได้อีกอันมันก็จะมีความกดดันมีความเครียดแล้วก็ต้องไปวุ่นวายกับการเตรียมตัวต้องไปฝึกไปซ้อมขี้เกียจก็ไม่ได้ขี้เกียจเดี๋ยวก็ ผีเมือก็ตกได้เอี่คือความทุกข์ที่เราเข้าไปหาโดยที่ไม่รู้สึกตัวเพราะคิดว่ามันสิ่งที่เราได้มันให้ความสุขกับเราแต่มันไม่ได้คิดถึงความวุ่นวายใจที่ตามมาใจไม่สงบใจไม่เย็นจากการไปทำอะไรกับกิเลสตัณหา ไปกับความโลภความโกรธความหลงไปกับความอยากต่างๆมันจะพาให้เราไปสู่ความเครียดกันสู่ความไม่สบายอกไม่สบายใจวิตกกังวลหวาดกลัวอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีในใจเนี่ยเกิดจากกิเลสตัณหาไม่ได้เกิดจากอะไร พระพุทธเจ้าจึงต้องมาสอนพวกเราให้กำจัดกิเลสกันกำจัดตัณหาความอยากกันเพราะว่ามันเป็นไัยมันไม่ได้เป็นเพื่อนแต่เรามักจะคิดว่ามันเป็นเพื่อนเพราะเราอยู่กับมันมาตลอดเวลาเราอยู่แบบไม่มีมันไม่ได้เวลาไม่มีความอยากก็ ร, รู้สึกว่ามัน มันไม่เคยมีดีกว่าพูดอยนไม่เคยไม่มีความอยากมันมีความอยากตลอดเวลาไม่อยากเรื่องนั้นก็อยากเรื่องนี้ไม่อยากเรื่องนี้ก็อยากเรื่องนู้นไม่อยากได้นั่นก็อยากได้นี่ไม่อยากได้นั่นก็อยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็มาวุ่นวายไปกับความอยาก เวลาไม่ได้ก็เสียใจซึมเศร้าคนแก่อยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็อยากข่าตัวตายเพราะไม่มีความสุขความทุกข์ต่างๆนี่เกิดจากความอยากทั้งนั้นการมีพระพุทธรูป ก็มีไว้ให้เราเลือกเลกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปนี้ไม่สามารถปกป้องคุ้มครองภัยต่างๆได้เพราะพระพุทธรูปเองอยังรักษาตนเองไม่ได้ถูกโจนตัดเสียนไปขายเยอะแยะไปหมดต่างประเทศนี่ก็มีเสียนพระขายเป็นเครื่องประดับ อันนี้ไม่ได้พูดเพราะลังเกียจการถวายด้วยเจตนารมที่บริสุทธิ์ก็น่ายกยอ่องเป็นการทำบุญทำทานอย่างหนึง่งแต่อย่าไปคิดว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งก็แล้วกันวัตถุมงคลต่างๆที่เราหุ้ม ที่เราสร้อยห้อยใส่ในสร้อยคอนี่มาหุมมาห้อยคอมีไว้เพื่อให้เราเระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าสอนให้เราปฏิบัติเนี่ยทให้เราคิดดีพูดดีทำดีแล้วจะมีความสุขคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วจะมีความทุกข์ คิดไปในทางความโลภความอยากแล้วจะทุกข์คิดไปในทางไม่โลภไม่อยากแล้วจะไม่ทุกข์พอคิดไปในทางความโลภ ก, ก็อาจจะไปทำไม่ดีพูดไม่ดีพอพอโลภอยากได้อะไรบางทีก็ต้องโกหกกลัวจะไม่ได้เนื้อถ้าโกหกแล้วไม่ได้ก็ ถ้ายังอยากได้ก็อาจจะขโมยเพราะเวลาเกิดความโลภเกิดความอยากแล้วใจมันสัน่นใจไม่ใจไม่เป็นปกติใจอยากจะได้อย่างเดียวจึงจะหายสัน่นบางทีก็ต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมขึ้นมา ต้นเหตุของการทำบาปทำกรรมก็เกิดจากความโลภเกิดจากความอยากถ้าไม่มีความโลภไม่มีความอยากมันจะไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมเพราะไม่อยากได้อะไรเมื่อไม่อยากได้อะไรก็จะไปลักขโมยทำไมจะไปโกหกหลอกลวงเขาทำไมดังนั้นต้นเหตุของปัญหาต้นเหตุของความทุกข์ ทั้งปวงก็เกิดจากความอยากและสิ่งที่จะแก้ปัญหาก็คือการกระทำความดีต่างๆเป็นการทำลายความอยากอุตตเจ้าสอนให้เราทำความดีทำบุญทำทานรักษาศีลละเว้นการกระทำบาป แล้วก็ภาวนาทำใจให้สงบใจสงบแล้วความอยากจะหยุดไปโดยปริยายจะทำไม่ได้ความอยากเกิดจากความคิดถ้าใจไม่สงบใจก็จะคิดก็จะคิดไปทางความอยากต่างๆเห็นอะไรก็อยากได้หรืออยากไม่ได้เห็น เห็นอะไรที่ชอบก็อยากได้เห็นอะไรที่ไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปได้ยินอะไรที่ชอบก็อยากจะฟังได้ยินอะไรที่ไม่ชอบก็จะไม่อยากฟังความความชอบความไม่ชอบก็คือกิเลสความโลภความโลภก็คือความชอบความไม่ชอบก็คือความโกรธ ความโลภความโกรธความชอบไม่ชอบก็เกิดจากความหลงความหลงที่ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ไม่รู้ว่าชอบก็เป็นทุกข์ไม่ชอบก็เป็นทุกข์วิธีที่จ ะ, ะไม่หลงก็คือต้องทำใจให้เฉย อย่าไปชอบอย่าไปชังอย่าไปรักอย่าไปชังจะทําทให้มันเฉยได้ก็ต้องอทําใจให้สงบอพอทําใจให้สงบแล้วใจจะเฉยได้ยินอะไรชอบที่ได้ยินอะไรก็จะเฉยอะจะเป็นคําชมก็เฉยอะจะเป็นคําด่าก็เฉย อันนี้เกิดจากการที่เราได้ยินได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าการมีพระพุทธรูปี้นั่งต่อหน้า พ, พุทธรูปไปเป็นเดือนเป็นปีก็ไม่ได้ธรรมะไม่ได้แสงสว่างแห่งธรรมะพระพุทธรูปพูดไม่ได้เนี่ต้องศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการ จดจำและบันทึกกันมาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบันเรียกว่าพระไตรปิฎกคำสอนในพระไตรปิฎกนี่เป็นโอวาทเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงทำให้กับบุคคลต่างๆแล้วก็มีผู้จดจำ ผู้ที่จดจําคําสอนของพระพุทธเจ้าได้มากที่สุดก็คือพระอานนท์พระอานนท์นี้เป็นพระอุปถัมภ์เป็นผู้รับใช้พระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดเป็นเหมือนเลขาเป็นทั้งเลขาเป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งหน้าห้องใครจะเข้าหาพระพุทธเจ้านี้ต้อง ผ่านพระอนุนเวลาที่เขาจะแต่งตั้งพระอนุนให้เป็นพระอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าพระอนุนนี้ตั้งเงื่อนไขไว้ถึงแปดข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือจะไม่ขอรับรับรางวัลรับะจะลำรางวัลพิเศษจากพระพุทธเจ้า จะไม่ขอรับจีวรจะไม่ขอรับอาหารจะไม่ขอรับที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแบบเป็นของพิเศษเพราะกลัวจะคนหาเขาลหาว่ารับใช้พระพุทธเจ้าเพื่อราบสักการะเพื่อผลประโยชน์รับใช้เพื่อที่จะรับใช้พระพุทธเจ้าจริงๆเป็นการ ทำบุญเสียสละเป็นการลดละอัตตาตัวตนนี่คือข้อที่ท่านปฏิเสธแล้วข้อที่ท่านขอให้พระพุทธเจ้าประทานก็คือให้พระพุทธเจ้าอถ้าอานุนมีใครมาจะมาหาพระพุทธเจ้าถ้าอานนุ์พิจารณาเห็นว่าสมควรก็ขอให้พระพุทธเจ้าอย่าปฏิเสธ เดี๋ยวจะเสียหน้าเป็นเป็นเป็นเลยขาเป็นหน้าห้องแล้วคนมาหาแล้วพอบอกได้เข้าไปได้แล้วเดี๋ยวพระพุทธเจ้าบอกไม่ได้ถ้าอนุ์พาใครเข้าไปหาพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าต้องรับไม่อาจตาเป็นการทำงานไงเป็นการทางานอาจจะมีอาตตาก็ได้เพราะท่านก็ยังมีกิเลสอยู่ อันนี้มีอัตตาหรือไม่มีไม่รู้ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงท่านเป็นคนที่คนจะมาติดต่อแล้วถ้าท่านพิจารณาว่าสมควรก็ขอให้พุทธเจ้าอย่าปฏิเสธขอให้รับเขาอย่างน้อยก็ได้ รับเขาพบเขาส่วนจะทาอะไรกับเขานี่แล้วแต่พระพุทธเจ้าแล้วก็มีอะไรอีกสามข้อจำได้ข้อหนึ่งก็คือเวลาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ไหนแล้วพระอนุ์ไม่ได้ไปด้วยเวลากลับมาขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้กับพระอนุ์อีกครั้งหนึ่ง พระานุลบอกว่าการรับใช้พระเจ้านี้ก็เพื่ออยากจะได้ยินได้ฟังธรรมอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าจะได้ความรู้ถ้ามีกรณีที่ไม่สามารถตามไปในงานที่ทรงไปแสดงธรรมได้เวลากลับมาต้องมาแสดงให้พระอนุ์ฟังอีกครั้งหนึ่งนลพระอนุลจะจดจํำทำต่างๆที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ได้หมดเลย เวลาที่มีการสังคยาครั้งแรกหลังจากที่พระเจ้าได้นิพพานไปสามเดือนพระลานห้ า, า, ารา้อยรูปก็มาประชุมกันเพื่อที่จะมาจัดการระบบของาศาสนาคำสอนของพระเจ้าว่าควรจะทำอะไรเพื่อที่จะได้รักษาพระธรรมคาสอนของพระุทเจ้ารักษาพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่ต่อไปหลังจากที่ไม่มีผู้นำแล้วไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยเห็นว่าต้องมารักษาพราะธรรมคำสอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนตัดไว้เองว่าก่อนจะจากไปว่าคำสอนของเรานี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปนั้นก็ต้องเอาคำสอนที่แต่ละคนได้จุดได้จำนี่มาเปรียบเทียบกัน ว่าผิดถูกอย่างไรการนังเรียวสังขายนามีพระอานุ์เป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับพระสูตรต่าง ๆ, ๆพระสูตรก็คือการแสดงธรรมของพระเจ้าในสถานที่ต่างๆที่พระอานุนได้จดจำไว้พระอานุ์ก็จะเป็นผู้ทบทวนเปรียบเทียบกับกับภระรูปอื่นเพราะไม่ใช่มีภาะรูปเดียวที่จดจากัน พระที่มาบวชนี้ก็จะจะท่องพระสูดกันเหมือนสวดมนต์นะเพื่อจะได้ได้จดจำและจะได้ความรู้คำสว่าพิ์พรเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติอะไรกันเพราะสมัยก่อนเขาไม่มีการเรียนหนังสือเหมือนสมัยนี้ไม่มีหนังสือไม่มีการเขียนหนังสือการอ่านหนังสือมีแต่การท่องจำกัน การท่องจำคำสอนก็เป็นประโยชน์อีกอย่างคือเป็นการเจริญสติเป็นเจริญปัญญาด้วยเจริญสติเพราะว่าใจก็จะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ได้ใจก็จะคิดอยู่กับคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่ออยู่กับคำสอนก็จะได้เข้าใจด้วยเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรก็เป็นปัญญาขึ้นมา มีสติมีปัญญาเวลานั่งสมาธิจิตก็สงบเขาถึงเห็นคุณค่าของการจดจำการท่องจำของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้เวลาไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็เลยต้องมาทบทวนกันดูว่าความจำของแต่ละคนนี่ตรงกันหรือไม่เปรียบเทียบกันอันไหนไม่ถูกก็จะได้ปรับให้ถูก ไม่งั้นเดี๋ยวไปสอนคนอื่นให้จําต่อมันจะสอนผิดอนอเนี่ยกรีนีว่าต้องมีการสังขยาพระไตรปิฎกนี้มีอยู่สามสามสามส่วนแบ่งเป็นสามสามวอลลุ่มถ้าเป็นภาษาอังกฤษเป็นเป็นคำสอนที่แยกเป็นสามกลุ่มพะสตรก็คือทรรมที่ทรงสแสดงต่างๆ เช่นกรรมาจากกับปวัตนสูตรสติปัฏฐานสูตรอนัตตลักษณะสูตรนี่อันนี้เรียกว่าพระสูตรอีกอันหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าพระวินัยพระวินัยก็คือบัญญัติข้อห้ามต่างๆที่พระเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้พระภิกษุและภิกษุณีได้ปฏิบัติอย่างเรียบร้อยสวยงาม น่าเรื่อมใสศรัทธาถ้ามีพระภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดประพฤติตนไม่เหมาะสมก็จะมีการมากล่าวหามาฟ้องร้องพระพุทธเจ้าก็จะทรงเป็นผู้ตัดสินวินิจฉัยว่าความประพฤติแบบนี้ดีไม่ดีควรหรือไม่ควรเมื่อทรงพิจารณาว่าไม่ควรก็จะทรงห้าม พอห้ามก็เป็นข้อข้อห้ามขึ้นมาเป็นวิเนยขึ้นมาตอนต้นเวลาที่เผยแผ่าศาสนาใหม่ๆนี้ไม่มีพระวิเนยมีแต่พระสูตรเพราะว่าผู้ที่บวชผู้ที่มาศึกษามาบวชกันส่วนใหญ่เป็นพระอรหันต์กันฉะนั้นความประพฤติของพระอรหันต์นี้จะไม่บกพร่องไม่เสื่อมเสียไม่เสียหาย เลยไม่มีการบัญญัติข้อห้ามต่างๆแต่พอมาผ่านระยะเวลามาก็เริ่มมีผู้ที่ไม่ได้เป็นนักบวชอยากจะมาบวชแต่ไม่รู้ว่าการอยู่ของนักบวชนี้อยู่แบบไหนทำอะไรทำได้ทำอะไรทำไม่ได้ก็เลยไปทำอะไรที่ทําไม่ควรจะทำเช่นมีพระรูปหนึ่ง ก่อนจะมาบวชก็มีภรรยาแล้วก็บิดามัรดาก็เป็นเศรษฐีมีเงินทองแต่พารูปนี้ก็ขอมาบวชตอนต้นบิดาก็ไม่ให้บวชน้อก็เลยอดข้าวประท้วงถ้าไม่ให้บวชก็จะไม่กินข้าวยอมตายบิดามารดาก็เลยต้องอนุญาตให้บวช พอบวแล้วทีนี้บิดามารดา ก, ก็อยากจะมีผู้มาสืบทอดมรดกรับมรดกเพราะว่ามีเงินมีทองแต่ไม่มีหลานมีลูกคนเดียวลูกก็มาบวชเป็นพระก็เลยขอร้องให้ไปนอนกับภรรยาเก่าอดีตภรรยาเพื่อที่จะได้มีหลานจะได้เอาหลานมารับมรดก ยุคนั้นไม่มีข้อห้ามให้ไปร่วมหลับนอนกับสีก า, าก็คิดว่าเป็นภรรยาเก่าแล้วก็ไม่ได้หลับนอนเพราะความอยากหลับเพราะว่าถูกขอร้องให้ให้สร้างหลานขึ้นมาเพื่อที่จะได้รับมรดกก็เลยไปร่วมหลับนอนกับภรรยาเก่าอาดีตภรรยาในช่วงที่ พร้อมที่จะตั้งคันแต่พอหลังจากทำไปแล้วก็จิตใจก็ไม่สบายไม่สบายใจใจไม่สงบก็เลยไปเล่าให้พระฟังเพื่อนด้วยกันฟังพระทราบก็เลยบอกต้องไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าทราบก็บอกว่า เป็นนักบวชไม่ควรจะทำกิจกรรมเหล่านี้เพราะมันเป็นการสวนทางกับการไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็เลยทรงห้ามไม่ให้เสดเมทุนห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นความสุขของนักบวชอยู่ที่ความสงบ ความสุขจากการร่วมหลับนอนกันนี้เป็นความสุขของผู้ครองเรือนของคารวาสผู้คลองเรือนถ้าอยากจะเสพกามก็ควรจะลาสิกขาไปไม่ควรที่จะอยู่เป็นพระแล้วเสพกามอันนี้เลยเป็นข้อห้ามข้อที่หนึ่งปาราชิกข้อที่หนึ่งทรงบัญญัติว่าห้ามพระภิกษุเสพกามร่วมหลับนอนกับ กับศีกาถ้าทาแล้วจะรู้หรือไม่มีจะมีใครรู้หรือไม่รู้ขอให้ถือว่าขาดจากการเป็นพระทันทีไม่ถือว่าเป็นพระแล้วสงเปรียบเทียบเหมือนกับต้นตาลที่ยอดมันด้วนนะมันไม่มีวันที่จะเจริญได้อันนี้ที่มาของพระวิไหะ ที่เป็นคำสอนในกลุ่มที่สองของในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกมีสามกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือพระสูตรที่ได้ทรงแสดงทำในสถานที่ต่างๆในเวลาต่างๆแล้วก็มีการจดจำมากลุ่มที่สองก็เกี่ยวกับบทบัญญัติข้อห้ามต่างๆที่เกิดขึ้นมาตามลำดับตอนต้นก็ไม่มีข้อห้ามต่อมา ผู้ที่มาบวชไม่เคยเป็นนักบวชมาก่อนมาบวชแล้วก็ยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลก็มีกิเลสมีความไม่รู้ไม่เข้าใจว่าวิถีชีวิตของนักบวชอยู่กันยังไงก็ไปทำเรื่องราวต่างๆขึ้นมาพระพุทธเจ้า ก, ก็เลยต้องมาห้ามเหมือนสมัยนี้พระสงฆ์เจ้าที่มาบวชก็ ไม่รู้เรื่องว่าวิถีชีวิตของพระจะอยู่กันยังไงที่ถูกต้องเพราะส่วนหนึ่งก็บวชแล้วก็ไม่มีใครสอนกันหรือว่าสอนก็จำไม่จดไม่จำเรียนแล้วก็ท่องจำไว้พอไปสอบได้พอสอบได้แล้วก็ลืมก็เลย มีการประพฤติหรือมีการประพฤติที่ยังไม่ได้ห้ามก็มีเพราะสมัยนี้กับสมัยก่อนมันไม่เหมือนกันสมัยก่อนไม่มีศูนย์การค้าสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรต่างๆก็เลยไม่มีเลยไม่รู้ว่าการมีมือถือนี่ควรหรือไม่ควรการไปเดินเที่ยวตามศูนย์การค้าไปช้อปปิ้งนีควรหรือไม่ควร การไปท่องอินเทอร์เน็ตนี้ควรหรือไม่ควรเี่ยไม่มีใครที่จะมาวินิจฉัยตั้งเป็นกฎข้อห้ามได้มันก็เลยทำให้คุมเคือแต่คนที่เขามุ่งมั่นต่อธรรมเขาจะรู้ว่าของพวกนี้ไม่ควรว่ามันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติธรรมให้หลุดพ้น เป็นเรื่องของคารวาะผู้ครองเรือนมากกว่า <S <S ถ้าพระพุทธเจ้าอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ศีลน่ะ จ, จะเป็นไม่รู้กี่ร้อยข้อแล้ว <S <S 1> <S 1> สองร้อยยิบเจ็ดนี้มันมั น, ม, น, ม, นมันถึงตอนที่พระเจ้าเสียชีวิตนิพพานถ้าอยู่ต่ออีกห้าร้อยปีนี่ไม่รู้มันจะเพิ่มมาขึ้นใหม่กี่ร้อยข้อก็ไม่รู้เพราะมันจะต้องมี ใครไปทำอะไรแปลกๆเสียหายอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยสมัยนี้พระสงฆ์องค์เจ้าทำะไรแปลกๆใช่ไหมก็ไม่มีใครที่จะมาห้ามไม่มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวที่ห้ามได้นอกนั้นแล้วไม่มีใครฟังก็เลยเล่เทกันมาตามลำดับ จนเดี๋ยวนี้คนเขาคนที่เสื่อมศรัทธานี้มีมากกว่าคนที่มีศรัทธาแต่ก็ยังมีพระที่เค่งคัดต่อพระธรรมวินัยอยู่แต่เป็นส่วนน้อยหายากส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ไกลไม่ได้อยู่ในบ้านในเมืองอยู่ตามป่าตามเขากัน ผู้ที่ศึกษาค่ะรู้วิธีดูพระเขาก็จะมุ่งไปหาพระตามป่าตามเขากันผู้ที่มุ่งสู่สการหลุดพ้นก็ต้องมุ่งไปหาพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้คือพระวินยัยพระไตรปิฎกมีสามพระสูตรพระวินยัยแล้วกลุ่มที่สามก็คือพระอภิธรรมอ พาธิอภอธิพิธรรมก็คือการรวมคำสอนที่ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือบุคคลเป็นคำสอนที่เกี่ยวกับธรรมล้วนๆก็ามาอยู่ในหมวดนี้เช่น อ, อริยสั 4, ์สี่มรรค8ปดอินทรีห้าภะละห้าอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเรียกว่าเป็ น, ปนธรรมะที่เป็นเป็นเป็นตัวธรรมล้วน เป็นหลักทำวนวลๆไม่ได้มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องแต่ในพระสูตรนี้จะเล่ากันว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนมีเหตุการณ์อะไรในวันนั้นเอเช่นวันมาค้าบูชาทรงแสดงโอวาทาปาติโมกมีพระสงฆ์1250รูปมาจากสถานที่ต่างๆเพื่อมากราบพระพุทธเจ้าเอพระพุทธเจ้าก็เลยส่งบัตทานพระโอวาทาปฏิโมกที่มีข้อความว่าอ จงละการกระทําบาปทั้งวปวงสัพปาปัสสะอาการะนางกุศลสู้ปัมปธาหมายว่ า, าสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสาจิตะปริโยดปนังทำจิตใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์เอตังบุทธานะศาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันนี้พระสูตร พระศุจะมีเล่าเหตุการณ์ก่อนว่ามีเหตุการณ์อะไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนี้ให้กับใครตอนแสดงธรรมจากกัมวัตนาสูตรเป็นธรรมเป็นประการประกาศพระธรรมครั้งแรกก็ทรงว่าตัดว่าทรงเสด็จไปสู่ที่ป่าเอสิปัตานะมีพระปัญจวคีมาฟังทรงแสดง เรื่องของพระอริยสัจสี่มรรคแปดส่งสันแดงถึงทางสายกลางทางที่อยู่ระหว่างกลางของการกำจัดความทุกข์ด้วยการเสพการหรือกำจัดความทุกข์ด้วยทรมานร่างกายซึ่งไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้นทางสายกลางก็คือทางแห่งมัชฌิมาปฏิปทามีมรรค ที่เป็นองค์แดคือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกปมีความคิดที่ถูกต้องสัมมากรมรมโตการกระทาที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมาอาชีวโออาชีพที่ถูกต้องสัมมาวายโมความเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติการระลึกรู้ที่ถูกต้อง สัมมาสมาธิความตั้งมั่นของใจของจิตที่ถูกต้องถ้าใครสามารถปฏิบัติมรรคแปดทำการทำทั้งแปดข้อนี้ได้ก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้อันนี้คือประสรูนี่คือเรื่องของพระไตรปิฎก ที่เป็นพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยถ้าเราอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าขอให้ไปเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตถาคตคือชื่อที่พระพุทธเจ้าเรียกพระองค์เองทรงเรียกพระองค์ว่าตถาคตตถาคตแปลว่าผู้มาแล้วผู้มาแล้วก็ผู้ไปมาแล้วก็ไปแล้วมาแล้วไปแล้ว คือตถาคตเนี่ยนี่คือถ้าอยากจะอะมีครูบาอาจารย์อยากจะมีพระพุทธเจ้าอย่างหลวงพ่อโตเนี่ยต้องเอาหนังสือหลวงพ่อโตมาให้อ่านจะได้รู้ว่าท่านสอนอะไรหลวงปู่ทวดท่านสอนอะไรเห็นแต่รูปท่านแล้วก็ไม่รู้อะไรก็เพียงแต่รู้ว่านี่คือรูปของท่าน แต่ไม่รู้ว่าประวัติของท่านเป็นอย่างไรท่านมีคำสอนอย่างไรเนีย่ยทางสายปฏิบัติเนี่ยเรามักจะมีประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆมีการศึกษาจีวาประวัติของท่านให้รู้ว่าท่านอยู่อย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรท่านหลุดพ้นได้อย่างไรแล้วท่านสอนอะไร อันนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าพิมพ์หนังสือชีว่าประวัติของหลวงปู่ทวดหลวงปุอามาแจากอย่างนี้ยังจะได้ประโยชน์กว่ามาสร้างรูปเหมือนของท่านมาตั้งไว้เฉยๆอันนี่ก็พูดเรื่องของอรูปปัน้นรูปเหมือนต่างๆก็ปั้นได้แต่ขอให้รู้ว่ามัน มันไม่ใช่เป็นที่พึ่งเเป็นเหมือนเป็นเหมือนภาพถ่ายที่เราถ่ายแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นที่เราเลึกยเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้มีคุณค่าประโยชน์ทางด้านจิตใจไม่มีประโยชน์ในการที่จะมาช่วยเรากําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปก็ถือว่าไม่เป็นที่พึ่ง ที่พึ่งเน้นต้องเป็นสิ่งที่ทำให้เรานี้แค็งวคร่งปลอดภัยอยากทุกข์ภัยต่างๆทางใจทางร่างกายนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งของร่างกายได้ถ้าพึ่งก็พึ่งได้ชั่วคราวคือปัจจัยสี่ปัจจัยสี่นี้ก็จะทำให้ร่างกายพออยู่ไปได้วันๆหนึ่งแต่จะไม่สามารถ ป้องกันไม่ให mm ้ร hmm. ่างกายแก่ไ hmm. ม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายได้ไม่มีอะไรในโลกนี้หรือแม้แต่พระธรรมของพระทเจ้าก็ป้องกันร่างกายไม่ได้ป้องกันให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ถ้าป้องกันได้พระพุธเจ้าก็คงจะอยู่กับพวกเรามาจนถึงวันนี้ร่างกายของพระุทธเจ้าก็เหมือนร่างกายของพวกเราถึงแม้ว่าใจของพระุทธเจ้าจะบริสุทธิ์ มีพระธรรมเป็นผู้คุ้มครองแต่พระธรรมไม่สามารถคุ้มครองร่างกายของไขได้ร่างกายนี้จะต้องเสื่อมไปตามตามเวลาของมันจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายจะห้อยพระหรือไม่ห้อยพระก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะมีพระพุทธรูปอยู่ที่บ้านหรือไม่มีก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่ร่างกายนี้ไม่มีใครที่จะไปปกป้องมันได้อย่างถาวรปกป้องได้เท่าที่จะทําได้มีบ้านอยู่มันก็ปลอดภัยหน่อยเวลาหลับนอนจะได้ไม่มีใครมาคุกคามเอถ้าไปนอนที่ใต้สะพานนอนที่ที่เปิดนี่ก็อาจจะมีคนมาชิงทรัพย์ไปมาทําร้ายร่างกายได้ถ้ามีบ้านก็จะปลอดภัย พาเรา ม, มีประตูปิดมิชชิดเนี่ยมีอาหารก็จะทําให้ร่างกายไม่อดตายมียารักษาโรค ก, ก็จะรักษาโรคที่รักษาได้ส่วนที่โรคที่รักษาไม่ได้ยาก็ไม่มีประโยชน์อะไรโลกเรานี้มีอยู่โลกของร่างกายนี่มีอยู่สามสามชนิดด้วยกันโรคที่เป็นแล้วหายเอง โรคพวกนี้ไม่ต้องใช้ยาบางทีปวดท้องเดี๋ยวมันทายเสร็จมันก็หายเองเรื่อบางทีเป็นไข้หวัดนอนพักสักสองสามวันมันก็หายเองไนดะ้ส่วนโรคชนิดที่สองก็คือโรคที่เป็นแล้วต้องกินยาถึงจะหายเช่นเป็นโรคติดเชื้ออย่างนี้เป็นโรคเออฮิวาติดเชื้อมาโรคอีโบลาสมัยนี้เห็นไหมโรคเอชอย่นี้ ถ้ามียารักษาถ้ากินยายาก็จะทำให้โรคนั้นหายไปได้ถ้าไม่กินยาโรคมันก็จะไม่หายมันก็จะอยู่และจะทาให้ร่างกายตายได้ส่วนโรคชนิดที่สามเป็นโรคที่ยาก็รักษาไม่ได้มียาชนิดไหนก็ไม่สามารถมารักษาโรคได้เช่นโรคมะเร็งต่างๆเวลาเป็นแล้วมันมีแต่จะ ตายเท่านั้นตายช้าตายเร็วบางครั้งก็รักษาทันก็หายได้บางครั้งรักษาไม่ทันก็ไม่หายนี่คือเรื่องของร่างกายของพวกเราทุกคนที่พวกเราควรจะปรองกันอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยจะทำให้เราวุ่นวายใจเปล่า มาสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยใช่เหตุถ้าเรายอมรับความแก่ได้ยอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ยอมรับความตายได้ใจเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายที่เราทุกข์ก็เพราะกิเลสตัณหาความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายกัน ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าออมาสอนไม่มีพระธรรมคำสอนเราจะไม่รู้ว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนมาวิธีที่จะทำให้เราหยุดความอยากได้ก็คือเราต้องไปฝึกสติไปฝึกสมาธิไปหยุดความคิดให้ได้ถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้ ตอนนี้เรารู้ว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเวลาแก่ก็ทุกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกเวลาตายก็ทุกแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะสามารถไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าเราหยุดความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายได้การที่จะหยุดเราก็ต้องมีสติมีสมาธิ ทำใจให้นิ่งเข้าสู่อัปปนาสมาธิเข้าสู่อุเบกขาพอเข้าสู่อุเบกขาแล้วใจจะหยุดคิดหยุดอยากใจจะอยู่กลางๆจะเฉยจะเฉยกับความแก่จะเฉยกับความเจ็บจะเฉยกับความตายอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเพราะพระพุทธเจ้าปฏิบัติให้เราไม่ได้ ถ้าปฏิบัติได้พวกเราก็ไปนิพพานกันหมดแล้วตรงนี้มันยากตรงนี้ตรงที่เราต้องปฏิบัติเองพระพุทธเจ้าทำในส่วนที่ท่านทำได้คือบอกเราให้รู้ว่าอะไรเป็นปัญหาและอะไรเป็นวิธีแก้ปัญหาแต่เราจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอาเองใครดำเนินการได้ก็หลุดพ้นได้ผู้ที่เป็นพระอรหันต์ตาวกก็เป็นผู้ที่ ดำเนินการตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องละตันหาความอยากต้องใช้มรรคคือศีลสมาธิปัญญาถึงจะสามารถละตันหาความอยากได้ถ้าไม่มีศีลก็ต้องมารักษาศีลกันศีลห้าศีลแปดเหมือนกับเป็นการเรียนหนังสือเริ่มต้นปหนึ่งก่อนแล้วก็ไปปสองปสาม รักษาศีลก็เอาข้อหนึ่งก่อนถ้ายังรักษาห้าข้อไม่ได้ยังเข้าปอห้าไม่ได้ก็เอาปอหนึ่งก่อนปอหนึ่งสอนห้ามดื่มสุราเองเอาข้อนี้ให้ได้ก่อนสุราไม่ดื่มก็ไม่ตายไม่ใช่เลย ร, ร่างกายมันต้องการน้ำปเปล่ามันไม่ต้องการน้ำที่มีกลิ่นมีรสของสุราเวลาดืด่มน้ำเพื่อร่างดื่มเพื่อร่างกายก็ดืมด่มน้ำเปล่าไป ถ้าดื่มโซลาก็เท่ากับเดินให้กิกเลสตัณหาความอยากมันก็จะไปทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาไปทำให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาสนับสนุนกิเลสตัณหางั้นข้อปอหนึ่งก็ลองเอาข้อที่หนึ่งก่อนเนี่ยศีลมีห้าข้อความยากง่ายก็อยู่ตรงข้อแต่ละข้อข้อห้านี่ง่ายที่สุดนะการไม่ดื่มโซลานี้เพียงแต่ไม่ไปแตะมันก็จบละใช่ไม มีสุราก็ปล่อยมันไว้อย่าไปแตะมันหิวน้ําก็เดือมน้ําเปล่าไปกไ็เห็นจะตายยากตรงยากลาบากตรงไหนอก็สุราเวลาขา้าเพื่อนมาชวนให้ไปเดือมสุราก็บอกผมเป็นพุทธเวลาอิสลามเราชวนก็ไปกินหมูเขาก็ไม่ไปใช่ไหมก็ผมเป็นอิสลามผมกินหมูไม่ได้ เวลาใครมาชวนให้เราไปดื่มล้วบอกผมเป็นพุทธผมดื่มไม่ได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือการลักทรัพย์เนี่ยการโกหกความยากง่ายความโทษหนักเบามันอยู่ตามข้อเหล่านี้การดื่มสซรานี่โทษเบาที่สุดง่ายที่สุดที่จะเลิกข้อที่สองก็คือการโกหกพูดปลดข้อที่สามก็คือการประพฤติผิดประเวณี ข้อที่สี่ก็คือการลักทรัพย์ช่อกงต่างๆข้อที่ห้าก็คือการฆ่ากันโทษมันหนักขึ้นไปเรื่อยๆโทษโุลานี่เบาที่สุดอย่างมากก็ทำให้หมึนเมาถ้าเมาแล้วหลับก็ไม่มีปัญหาเลยถ้าเมาแล้วขับก็ถึงจะมีปัญหาถ้าเมาแล้วไปขับรถเดี๋ยวก็ไปฆ่าคนตายไปขับรถชนคนตายแต่ถ้าอยากจะดื่มสุลาก็ ล่ามโซ่ไว้ก่อนเวลาเมาก็ล่ามโซ่ไว้ข้างเตียงนะเวลาเมาก็จะได้ไม่ไปไหนไปไม่ได้ถูกล่ามโซ่ไว้ก็โทษก็เกิดกับตัวเองคือทำให้ไม่มีสติสตังทำอะไรไม่ได้จะไปทำสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ได้จะไปนั่งสมาธิไม่ได้ก่อนถามว่า การคนที่ไม่มีศีลนี่จะนั่งสมาธิได้หรือเปล่าก็ดูข้อที่สุรานี้ข้อสุรานี้ก็แล้วกันถ้าดื่มสุราแล้วเมานี้จะไปนั่งสมาธิได้ไหมไม่ได้ไม่มีสติการนั่งสมาธิก็เพื่อการใช้สติมาหยุดความคิดหยุดใจนี่ก็รักษาศีลพระพุทธเจ้าสอนให้เรารักษาศีลกันลองเริ่มต้นดูสิ เรามีห้าข้อนี้เรารักษาได้กี่ข้อถ้ายังรักษาไม่ได้สักข้อก็เริ่มเอาข้อง่ายๆก่อนเลือกเอาอันไหนง่ายสำหรับเราเราก็เอาอนั้นก็ได้ถ้าคิดว่าการฆ่ากันง่ายๆก็เอาแต่ฆ่านี้มันหมายถึงทุกอย่างนะฆ่ามดฆ่าแมลงก็ไม่ได้นะฆ่าคนนี่อาจจะยากเพราะนานๆจะมีเหตุการณ์ที่จะทำให้เราไปฆ่าสักครั้ง แต่ข้ามดข้ามมะเรงนี่มันมีแทบทุกวันเนอะเพราะเดี๋ยวก็เจายุงก็ตกแล้วเจอมดก็เหยียบแล้วก็ต้องรหัสรักษาศีลให้ได้ถ้าอยากจะมีกำลังที่จะหยุดกิเลสตัณหาต่างๆได้ต้องมีศีลก่อนเพราะศีลจะได้มาสนับสนุนการฝึกสมาธิ แล้วเมื่อมีสมาธิก็จะได้มีมีกำลังที่จะไปเอาปัญญามาสอนใจให้เราหยุดความอยากต่างๆปัญญาจะสอนว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์ถ้าอยากจะให้ความทุกข์ดับไปก็ต้องอย่าทำตามความอยากจะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีสมาธิจะมีสมาธิก็ต้องมีศีลก่อน ถ้าไม่มีศีลนี้ไปฝึกสมาธิไม่ได้จะไม่มีเวลากินเหล้าจะเอาเวลาไปกินเหล้าเอาเวลาไปเที่ยวเตะเอาเวลาไปทำอะไรต่างๆเพราะศีลห้ามไม่ได้ห้ามถ้าจะถ้าจะมีเวลาก็ต้องถือศีลแปดศีลแปดจะห้ามไม่ให้เราไปทำกิจกรรมทางความอยากต่างๆทางร่างกาย ห้ามไม่ให้กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกันห้ามไม่ให้ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆห้ามดูมาหาร์รสบบันเทิงห้ามแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามต่างๆ ต, ต, ต้องห้ามเหล่านี้ห้ามนอนสบายเกินไปให้ไม่ให้นอนมากเกินไปต้องให้นอนบนพื้นแข็งๆมันจะได้นอนนอนไม่นาน เพื่อที่จะได้มีเวลามาฝึกสติมานั่งสมาธิพอมีเวลาไม่ไปทํากิจกรรมอื่นๆก็จะมีเวลามาฝึกสติเดินจงกรมถ้านั่งสมาธิยังไม่ได้ก็เดินจงกรมสร้างสติขึ้นมาพุทโธพุทโธไปดู ด, ดูเท้าไปก็ได้ดูการเคลื่อนไหวของเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปเป้าหมายก็คือไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าใจเราจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกรทาของร่างกายหรือกับกรรมบริกรรมพุโทโธมันก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ความอยากก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้พอเรามีสติเราก็สามารถที่จะนั่งเฉยๆเพราะจะใช้จิตรวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนานี่ต้องน่างกายต้องนิ่งต้องอยู่เฉยๆถ้าร่างกายไม่อยู่เฉยๆใจเฉยไม่ได้ พราะใจเป็นผู้ควบคุมร่างกายเป็นผู้ใช้ร่างกายให้เคลื่อนไหวถ้าอยากให้ใจนิ่งสงบเป็นอัปปนาเป็นอุเบกขานี่จะต้องนั่งเฉยๆแล้วก็ปิดทวารตาหูจมูกแล้วก็ให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กับคําบริกรรมพุทโธไปเพียงอย่างเดียวถ้าใจอยู่กับลมได้อย่างต่อเนื่องหรืออยู่กับพุทโธได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจิตก็จะสงบ รวมเป็นอัปปนาขึ้นมารวมเป็นสมาธิจากแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาแล้วก็มีความสุขอย่างยิ่งความสุขที่มหัศจรรย์ใจจะเกิดขึ้นพอได้ความสุขแบบนี้แล้วก็จะทำให้เราเลิกหาความสุขตามความอยากแบบอื่นได้แล้วถ้ารู้ด้วยปัญญาว่า การทำตามความอยากนี่มีแต่จะสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดก็จะไม่ไม่เอาไม่ทำตามความอยากอีกต่อไปเมื่อไม่ทำตามความอยากความอยากก็จะหมดไปหมดแล้วก็จะไม่มีปัญหาไม่มีการไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่แหละคือ<ม>ที่พึ่งของเราที่แท้จริงคือคำสอนของพระพุทธเจ้า ในยุคที่มีพระพุทธเจ้าเราก็พึ่งพระพุทธเจ้าโดยตรงได้เวลาไปหาพุทธเจ้าก็จะได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะไม่พูดจ่าเพ้อเจ้าพูดเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องเงินเรื่อ ง, อ ง, องทองจะพูดแต่เรื่องธรรมะสอนแต่เรื่องธรรมะให้เราได้รู้ว่าวิธีการกําจัดปัญหาของเรากําจัดอย่างไรพอไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ต้องอาศัยคําสอนที่ท่านได้เคยสอนเอาไว้มา เพราะคำสอนนี้เป็นทันสมัยทุกยุคทุกสมัยเป็นอาการลิโกใช้ได้ทุกสมัยถึงแม้ว่าจะพูดมาแล้วเมื่อตั้งแต่สองพันหา้อยกว่าปีมาก็ตามแต่ปัญหาที่เอามาแก้ที่เอาธรรมะมาแก้นี้ก็เป็นปัญหาอันเดียวกันกิเลสตัณหาตัวเดียวกันกิเลสตัณหาในสมัยพุทธกาลกับกิเลสตัณหาในสมัยปัจจุบันก็ตัวเดียวกันธรรมะที่จะแก้กิเลสตัณหา ทำลายกิเลสตัณหาก็ธรรมะอันเดียวกันท่านเองบอกว่าธรรมะเป็นอากาลิโกไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่เสื่อมไปกับการกับเวลาทัานสมัยทุกยุคทุกสมัยสามารถเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มาทําลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ทุกยุคทุกสมัยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปวิตกกังวล ว่าธรรมะนี้เก่าหรือเก่าไปหรือเปล่าล้าสมัยไปหรือเปล่าต้องมีการปรับปรุงหรือเปล่าไม่มีธรรมะเจ้านี้เขาเรียกว่าสวากขาโตภะวตาธโมตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องทุกถูกต้องแม่นยําครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ขาดไม่เกินอไม่มีอะไรจะต้องเติมไม่มีอะไรอจะต้องตัดคําสอนของท่าเจ้า perfect ถ้าภาษาอังกฤษก็ ครบร้อยเต็มร้อยขอให้เราปฏิบัติเท่านั้นเถอดก่อนจะปฏิบัติก็ต้องศึกษาก่อนว่าท่านสอนอย่างไรสอนให้เราทําอะไรอย่างไรถ้าไ ม, ไม่ศึกษาก็ก็ไม่รู้อีกก็จะทําทผิดผิดถูกถูกผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาอันนี่คือที่พึ่งอ ที่แท้จริงคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามีพระธรรมแล้วเราก็จะมีพระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่จะเห็นตถาคตเห็นธรรมได้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระอริยสงฆ์สาวกนั่นเองยันสรุปแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมาเจอกันจากการที่เราศึกษาและปฏิบัติ จนบรรลุ ม, มีมีดวงตาเห็นธรรมเราก็จะได้ทั้งพระพุทธได้ทั้งพระธรรมและได้ทั้งพระสงฆ์มาอยู่ที่ในใจของเราพร้อมกันหมดจึงขอให้พวกเราอย่าหลงประเด็นอย่าหลงไปแตะติดต ก, กับถาวละวัตถุจนลืมที่พึ่งที่แท้จริงก็คือพระธรรมคําสอนอการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พ่อนยะถาวาริวาหาปุราปาริโปเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปปับปติยิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพโปเรนตุสังกปา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 จตารโหธัมมาวทานติอายุวโนสุขังภลาง พระอาจารย์คะผู้ที่ได้บรรลุโสดาบันบุคคลไปแล้วถ้าเกิดพบ ช, ชาติต่อไปจะสามารถรักษาศีลห้าได้ตั้งแต่ในชีวิตเริ่มต้นเลยหรือเปล่าคะอ่ามันเป็นของมันโดยอัตโนมัติคือจะไม่ทำผิดศีลห้าตั้งแต่ตั้งแต่รู้ความเลยใช่ไหมคะนอกจากเป็นเด็กก็อาจจะถูกบังคับ มาแต่ก็เด็กบางคนมันก็เด้อมันไม่ยอมทำเช่นนะให้ไปฆ่าฆ่าไก่สมมติที่บ้านต้องทำอาหารเองต้องฆ่าไก่แล้วสั่งให้ลูกไปฆ่าถ้าเป็นพระสวสดาบาลมันก็ไม่ฆ่าคือใจมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเด็กมันไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ใจมันเป็นโสดาบัลมันมันรู้แล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกมันไม่ทำ มีใครอยากจะถามอะไรไหมถามหรือเปล่าอาเขียน อ, อะยนะเขียนก็เขียนก็มีปากก็พูดก็ได้ไปเขียนทำไมอะไรวะ <laughs> อยู่ตรงนี้แนละ้วอ่าถ้ามันอยู่ที่ไม่มีเอาถุงข้าผัวไปเห็นจะ <laughs> ไม่อยากให้ใครน้่นน้านามสการค่ะ <laughs> คูบาอาจารย์เจ้าขาคือเรื่องนี้เกิดขึ้นกับหนูเองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูจะเล่าเรื่องนั้นแหละ mm hmm. คือว่าหนูทาการตลาดให้กับห้างห้างหนึ่งอยู่อะค่ะแล้วมีอยู่ช็อปหนึ่งอะเขามานอกรอบกับหนูแบบว่าขอให้ทำโปรโมชั่นให้ร้านเขาหน่อยเข้ามาดราม่าให้หนูฟังว่าแบบร้านขายไม่ดีอยากจะ อยากจะให้ร้านดีขึ้นอะไรเงี้ยหนูก็เลยไปช่วยเขาคิดโปรโมชั่นช่วยทําโบชัวยให้ช่วยแจกลูกค้าช่วยดึงลูกค้าในทัวร์ค่ะไปแล้วหนูก็คิดว่าเออต้องมีค่าน้ําให้เขาอะไรเงี้ยค่ะค่าน้ําให้ทัวรดเดอร์เพื่อที่จะให้เขาเซ็ตราคาขึ้นมาสูงขึ้นเพื่อที่จะจ่ายค่าน้ําให้ทัวรดเดอร์แล้วเขาก็ให้หนูด้วยร้านนะคะทีนี้หนูก็รับอยู่ค่ะรับในส่วนที่เขาให้หนูค่ะแล้วปรากฏว่าที่ทํางานอะ่ะเขาก็ เหมือนกับเขาไปพูดกันนะคะพูดกันในในสิ่งที่ผิดว่าหนูอะ่ะแบบไปมีส่วนในส่วนของคอมมิชชั่นที่ให้ทัวร์ลิเดอร์หนูก็เลยได้มีโอกาสได้อธิบายว่าที่เขาให้อะ่ะทางร้านให้หนูอะ่ะเป็นในส่วนที่เขาให้หนูเองที่เขาจัดให้หนูในส่วนของทัวร์ลิเดอร์อะเขาอะ่ะได้ไปเองเขาจ่ายเองแต่หนูก็หนูก็พูดอย่างนี้แล้วหนูก็ ความจริงอะหนูรู้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วหนูก็คือหนูตอนนี้หนูสงสัยตัวเองว่าแบบหนูทําผิดไหมก็อยู่ที่กฎระเบียบเขาเขาห้ามหรือไม่ห้ามถ้าเขาห้ามก็ผิดถ้าเขาไม่ห้ามก็ไม่ผิดถ้าทําธรรมะก็ไม่ผิดเพราะว่ามันไม่ได้ไปโกหกหลอกลวงไม่ได้ไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นมา รับเขาให้มาโดยที่เขาอนุญาตเขายินดีแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปพูดโกหกหลอกลวงเขาองั้นทางธรรมะก็ไม่ผิดถ้าจะผิดก็ทางโลกทางบริษัทก็อาจจะห้ามไม่ให้เราไปหาประโยชน์ส่วนตัวในขณะที่ทำงานให้กับเขาถ้าอย่างนี้ก็ถ้าเขามีกฎห้ามมันก็ผิดถ้าเราไปทำ ถ้าเขาไม่ห้ามมันก็ไม่ผิดก็ไปถามเจ้าของเจ้านายเราสิที่เราทําเรื่องทํานี้ผิดไม่ผิดมาถามเราทําไมเราไม่ได้เป็นเจ้านายตอนนี้คุยกับเจ้านายก็ก็บอกแบบนี้ค่ะเขาบอกเขาไม่ไม่หรอกแต่ว่าหนูต้องแบ่งให้กับอีกคนหนึ่งด้วยอ่าค่ะก็ต้องแบ่งก็แบ่งนี่อ่ก็อารมณ์นี้แต่หนูแค่ก็แค่เหมือนกับเช็คตัวเองว่าเ อ, อ้อหนูยังยังโลภมากอยู่หรือเปล่าหนูยังเลวอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลย ถ้าหวงก็ยังโลภอยู่ถ้าไม่ยอมแบ่งก็แสดงว่าแบ่งได้แบ่งได้ก็แบ่งไปถือว่าทำบุญทำทานไปแบ่งกันกินคนเดียวไม่อร่อยกินหลายคนอร่อยกว่าะจะได้แย่งกันกินนะนี่หนูถามแค่นี้ขอบคุณค่ะสาธุกลับเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ แถวบ้า น, น่ะมีนกพิราบมาอยู่เยอะแยะใช่ไหมเจ้าคะแล้วทีนี้มีคนให้อาหารนกพิราบแต่นกพิราบมันมีเชื้อโรคทีนี้เราอไปห้ามเขาเนี่ยว่าอย่าให้ได้ไหมเพราะมันเดือดร้อนหลายหลังทุกหลังคาหลายบ้านเนี่ยเขาก็บอกกันว่าไม่น่าให้เพราะว่ามันมาขี้แล้วมันแบบว่าทําความเดือดร้อนแล้วก็มีเชื้อโรคเราไปห้ามเขาอย่างเงี้ยเราบาปไหมเจ้าคะ ไม่แบบเราเพียงแต่ว่าเราอาจจะไปแทนที่จะไปอนุโมทนาเขาทําบุญเรากลับไปเนี่ยเรื่องของการอนุโมทนาบุญแต่อนุโมท น, นาบุญมันก็ต้องรอบคอบด้วยว่าค่ะถึงแม้การทําบุญของเขานี่ทําบุญแล้วมันเกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่นหรือไม่ค่ะถ้าเกิดก็ไม่ควรที่จะทําค่ะก็เราก็บอกเขาได้แต่เราไปไปบังคับเกาไม่ได้ค่ะ บอกเาแล้วถ้าเขายังอยากจะทำต่อเราก็ต้องทำใจไปเจ้าค่ะแต่เราก็เราก็ไม่ผ่าไม่ได้นที่เราไปห้ามเขาถ้าเราเห็นว่าทำแล้วมันเกิดโทษเนี่ยมันถึงแ่าจะเป็นบุญเป็นการเลี้ยงสัตว์แต่สัตว์ก็อาจจะไปทำร้ายผู้อื่นอย่างนี้ก็อาจจะจำเป็นจะต้องนะงับไปแล้วบอกก็ได้บอกแล้วก็จบ เคยไปฟังเทศที่วัดชนประทานเจ้าค่ะแล้วก็มีอย่างมีเหตุการณ์แบบนี้ครับได้ยินพัดองค์หนึ่งท่านก็บอกว่าโยมทำบุญให้มันถูกที่นกมันหากินของมันเองได้ถ้านกมันมีเชื้อโรคอย่างนี้โยมอย่าทำเลย เ, เจ้าค่ะ ทำบุญก็ต้องอย่าให้เกิดโทษถ้าเกิดโทษก็อย่าไปทำดีกว่าแต่ถ้าเราห้ามก็คือไม่บางได้เราพูดได้แต่อย่าไปห้ามด้วยการไปทำร้ายร่างกายค่ะไม่เจ้ค่ะเจ้าค่ะมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเอออยากเรียนถามหน่อยนะคะ่ะว่าคือตอนนี้นะคะ เ, เคยฝึกสมาธิะคะ่ะแต่จิตมันยังไม่ค่อยนิ่งอะคะ่ะ แล้วก็ฝึกมันมันจะแวบง่ายค่ะมีกุศโลบายอะไรที่จะเออ่ฝึกให้มันได้ผลดีไหมคะสติมันน้อยไงมันก็เลยไม่นิ่งเราต้องฝึกสติก่อนที่จะมานั่งฝึกสติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับพุโทโธไปเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้ใจคิดเลอยเปื่อยอย่าปล่อยให้ใจคิดในเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดนะ ให้พุโทโธไปหรือถ้ามันไม่คิดก็ให้มันดูว่าเรากำลังทาอะไรอยู่ให้อยู่กับงานที่เราทำโดยที่ไม่คิดอะไรให้รู้เฉยๆพยายามฝึกหยุดความคิดก่อนที่เราจะมานั่งถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้เวลามานั่งมันก็คิดไปเรื่อยๆมันก็จะไม่นิ่งย็งต้องฝึกสติพุโทโธไปหรือคอยดึงใจให้อยู่กับการเคลื่อนไหวาการกระทาต่างๆของร่างกาย ก็ที่บอกว่าอยู่กับลมหายใจอะค่ะตอนนั้นเวลานั่งไงเวลานั่งใช่ไหมคะแต่ว่าในทุกกิจวัตรของเราเราดูอย่างอื่นดีกว่าเพราะลมมันดูยากดูไม้ดูมือดูแข้งดูขาดีกว่าตอนนี้กําลังลัางหน้าก็ดูมือกําลังลัางหน้าไปง่ายๆก็ไปดูลมตอนนั้นลมอยู่ที่ไหนไม่รู้หน้ามันถูกน้ําเน้อมอะไรเดี๋ยถ้าดูไม่ได้ก็พุทโธพุทโธไปก็ได้ เป้าหมายก็คืออย่าให้มันคิดหยุดความคิดถ้าหยุดได้เวลานั่งมันก็จะนิ่งจะสงบได้เร็วไม่จีมีอะไรมหไม่เจอท่านนานจะมาระบายสักหน่อยก็ได้หลายปีแล้วอ้าวจะเล่าอะไรฟังหน่อยก็ได้เผื่อเป็นธรรมทาน แม่ชีนี้เมื่อก่อนเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลศิริกิจเป็นแพทย์หมอเด็กก็เข้าวัดมานานแล้วมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติเข้าๆออกๆจนนัออนที่สุดก็ตัดสินใจบวชชีเลยนี่บวชไปบวชมาสามปีแล้วใช่ไหมไปอยู่ที่จังหวัดแพร่เลยนะแพร่มีมีแม่ชีคนหนึ่ง ก็อะไรวันนี้มาเยี่ยมเยียนก็อยากจะพูดอะไรก็วันนี้จะขอฟังหน่อยจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก็ได้เป็นจะได้เป็นบทเรียนให้ผู้อื่นที่อยากจะบวชโดยเฉพาะผู้หญิงเป็นยังไงเล่าลองเล่าให้ฟังหน่อยก็ดีเหมือนกันเราไม่ได้เป็นแม่ชีพูดใกล้ๆหน่อยคือแม่ชีใหญ่ท่านก็มีกุศโลบายของท่านนะคะจากถ้าเราฟังฟังจาก ธรรมะจากที่ผ่านมาเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราได้บวชเราก็จะสามารถเดินจมกรมนั่งสมาธิทั้งวันได้แล้วก็จะเข้าถึงได้ดีกว่าแต่พอทำจริงๆมันก็ยังมีอะไรต่อมีอะไรทีนี้กุศโลบายของครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันอย่างไม่เชียร์ค่ะ ท่านก็ให้โอกาสเรานะคะเดินจงกรมนั่งสมาธิแบบชนิดไม่ต้องทำอะไรไม่เป็นไรสามเดือนเสร็จปุ๊บท่านบอกว่าไปไม่ถึงไหนท่านก็เลยเริ่มดึงออกมาทำกิ จ, จากรรมปกติทีละเล็กทีละน้อยในตอนที่ไปใหม่นี่ก็จะค่อนข้างติดเรื่องอ่านหนังสือท่านบอกอ่านจริงนะอ่านจริงจ้ะก็ก็ ว่าแม่ชีก็เลยให้คําขาดว่าห้ามอ่านอีกไม่ว่าจะเป็นของครูบาอาจารย์หรืออะไรสิ่งที่ต้องอ่านก็คือจิตใจของเราเองอ่านให้มันขาดอ่านให้มันทะลุอ่านที่อย่างเดียวกันก็อุบายท่านง่ายๆแล้วเราท่านบอกคือแล้วท่านก็ให้ล็อกอีกอย่างนี่ว่าคําสั่งคือของครูบาอาจารย์คือศีล คำสอนคือทรรมเพราะนั้นศีลที่รากฏแก่เรานักบวชก็จะไม่ใช่แค่ศีลแปดที่เรารับมายังมีคำฉั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่เราจะต้องพึิปฏิบัติตามอีกก็หลังจากที่กุสโลบายของแม่ชีท่าน ง, ง่ายๆอย่างนี้คะ่ะบากฏว่าโอเคระยาหลังเนี่ยเรื่องการที่ติดเรื่อง ทำมะทำเมาก็ลดลงไปมากอะค่ะที่ปฏิบัติแล้วก็ออกมาใช้ลักษณะคือพูด ง, ง่ายๆเรายังปฏิบัติไม่ได้เต็มที่เดินโยมกลมนั่งสมาธิอย่างเดียวยังไม่ได้ก็เลยต้องไปทำอย่างอื่นก่อนค่ะปล่อยให้เดินจมกลมนั่งสมาธิแล้ว เ, เบื่อสู้ไม่ไหวก็เลยต้องมาหางานอย่างอื่นทำไปก่อนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคือเรา เราทำแล้วก็รู้สึกว่ามันมันไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่อะค่ะก็เลยท่านก็เลยให้ออกมาทำแล้วก็เปลี่ยนเปลนลักษณะก็อย่างเช่นขวานลานทำครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องทำอยู่แล้วตามปกติมันก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทำอยู่แล้วเนี่ยทำร่วมกับการเดินกรมนั่งสมาธิได้ แต่ก็ไม่เป็นไรจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้บางแห่งก็อาจจะไม่ให้ทำก็ได้ให้เดินโยมกลมนั่งสมาธิอย่างเดียว ม, มันก็แสดงว่าสติเราไม่ไม่ไม่ไม่เอาไหนสเดินจงกลมมันก็ลอยนั่งสมาธิก็ไม่นิ่งถ้าสติดีแล้วมันไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการเดินโยมกลมนั่งสมาธิมันแสดงว่าเรายังเข้า เข้าถึงตัวนี้ไม่ได้เลยก็ต้องหาอุบายสร้างสติขึ้นมาก่อนโดยการให้มีสติอยู่กับงานในโรงครัวก็ได้ทำกับข้าวทำล้างถ้วยล้างชามอะไรไปก่อนเพราะให้อยู่คนเดียวแล้วมันเหงาทำอะไรคนเดีย ว, วมันเหงาถ้ามาร่วมทากิจกรรมกับคนอื่นแล้วมันเริ่มมีชีวิตชีวาหน่อยใช่ไหะแต่ท่านก็พูดใกล้ปากนไม่ได้ยินคือท่านก็มี กุดโโลบายหลังหลายอย่างก็คือแรกๆให้เราแยกตัวแต่ภายหลังเนี่ยพยายามให้เราสา ม, มารถอยู่กับคนอื่นได้โดยที่ใจเราไม่ไปคุกกับคุกกับรอบข้างคือท่านค่อยๆใช้ตะล่อมตะล่อมตะล่อม อ, ออกมาทีละเล็กลนะน้อยแล้วเปงางสรุปลาบดีขึ้นไหมก็คิดว่าก็ดีขึ้นแล้วคะ่ะอ่าแล้วมีความสุขมากขึ้นไหมระหว่างตอนที่ไม่ได้บวชกับบวชนี่ ก็คือมันมันลดลดเรื่องที่ปัญหาที่เรารู้สึกเป็นทุกข์ขณะทำงานจนแบบเราพอนึกถึงว่าบางครั้งมันก็เอ๊ะเขาคนชอบมาแย่ว่าเราเป็นหมอน่าจะอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอเรานึกออกมาปุ๊บโอ้ถ้าออกมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นปัญหาทุกอย่างมันจะเห็นอยูอ่ถ้าเราเปลี่ยนอาชีพคือ ไม่อยากออกมาโลกอีกแล้วอะคะ่ะพรอาจารย์แต่ทางท ร, ร ม, มันก็ยังยังพี่เห็น <laughs> แล้วทำไมยังคิดอยากจะกลับมาเป็นหมอต่อเลยคงไม่อะคะอ่ะโอ้ทงตอนนี้ก็ใช้วิชาตัวเองรักษาหมาหมาแมวแมวอยู่ที่วัดอะคะอ่ะ <laughs> วิชาความรู้ของเรามีค่าแค่นั้นอะคะ่ะ พระอาจารย์เมื่อชี้ท่านพ ย, พยายามจะบอกว่าสักการะทิฐิของเราอะอัตตาเรามันใหญ่มากเพราะว่าเนื่องจากเราอะมาด้วยลักษณะที่ว่าเป็นทั้งหมอเป็นทั้งทหารมันใหญ่มากซึ่งตรงเนี้ยมันมันท่านก็อยากจะให้ท่านบอกว่าการเป็นหมอการที่เราอย่างเนี้ย มันทำให้เราลดอัดตามไม่ได้ท่านก็พยายามจะให้เราบอกว่าสากายะทิฐิเอาออกให้ได้ทีนี้ท่านก็บอกว่าในการหนูถามว่าแล้วทำยังไงท่านก็บอกว่าอย่าพูดมากแล้วก็ให้มาดูที่ใจเราให้มีสติอยู่ที่ใจเราแล้วให้เอาออกเอาออกเอาออกอย่างเดียวหนูก็ ฟังดูง่ายๆแต่ความหมายเอาออกเอาออกก็ อ, ออกเนะนี่ยกริยาแบบเนี้ยของจิตใจอ่ะเราจะทำยังไงคระพเจ้ออกอ า, าก็เปลี่ยนบทบาทไงเวลาจะคิดว่าเราเป็นหมอก็บอกไม่ใช่ตอนนี้เราเป็นแจวแล้วคิดอย่างนีง้ต้องต้องต้องเปลี่ยนโปรแกรมโปรแกรมเก่ามันจะบอกว่าฉันเป็นหมอฉันเป็นนาวาอพอมันคิดอย่างนี้บอกเราต้องเราต้องย้อนกลับว่าไม่ใช่ตอนนี้เราเป็นแจวแล้ว นำมาลับใช้แม่ชีเรามาล้างถ้วยล้างชามพระพุทธเจ้าบอกให้ทําตัวเองให้เป็นปัตถภีทัคือว่าตอนนี้เราเป็นแผ่นดินใครจะเหยียบใครจะดูถูกดูแคลนใครจะทําอะไรแผ่นดินยี่ไม่หวันไหวเราก็ต้องเป็นแบบปัตถภีก็เปลี่ยนความคิดไงถ้ามันคิดว่าฉันยังเป็นหมออยู่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วตอนนี้เป็นแจ๋วแล้วเป็นชีแล้ว ก็ก็เราพูดใกล้ๆเลยมันจะไม่ได้ที่พระ อ, อาจารย์เคยฝากฝากเไปบอกอะคะ่ะหนูคิดว่ามันมีความสําคัญของคนที่คิดจะบวชตลอดเหมือนกันพระอาจารย์แบบพอไปอยู่จริงๆหนูคิดว่านี่ที่นี่ยังดีนะคะแต่ถ้าไปเราไปอยู่ในที่ที่ใหญ่ปัญหามันก็เยอะที่พระ อ, อาจารย์ฝากบอกว่า จะยังไงก็แล้วแต่ต้องหน้าด้านอยู่หนูฟังดูแปลกๆ แ, แต่พอปฏิบัติจริงมันของจริงนะครับอาจารย์ hmm. เพราะว่าบางกรณีที่เข้ามากับเรา hmm. มันเป็นคนรอบข้าง hmm. มันต้องล้บางทีเราก็โดนแบบไอ้ตรวจสอบโดยธรรมชาติมันต้องใช้แบบธรรมะที่ง่ายๆอย่างนี้ hmm. คำสั่งคือสอนคำสั่งคือศีลคาสอนคือทม พระอาจารย์สั่งมาว่าต้องหน้าด้านอยู่จะยังไงก็แล้วแต่ต้องอยู่ให้ครบ้ะบางครั้งก็ตัดโชกช่างหัวมาพระอาจารย์สั่งมาอย่างนี้ก็ต้องทำอย่างนี้คือลักษณะที่สำหรับผู้ที่จะบวชนานๆเนี่ยไอ้คำสอนแบบนี้สาคัญนะคะฟังดูปแปลกๆแต่ต้องปฏิบัติจริงๆคะ่ะ ไอตัวที่เป็นปัญหาไม่ใช่คนรอบข้างหรอกไอตัวปัญหา ก, กิเลส ข, ของเรามันอยากไปนู่นมานี่มันขอให้มีมีอะไรมามาเปิดประเด็นหน่อยพอไม่ใครมาแย่มาพูดหน่อยก็ไปแล้วดีกว่ากูไม่อยู่แล้ว mm hmm. กิเลสปัญหาช่องหาโพรงเข้าใจไหม mm hmm. อนั้นที่ครูบาอาจารย์พรุทธเจ้าบังคับให้ภาพบวชใหม่อยู่กับครูบาอาจารย์ห้าพรนศาก็เพราะอย่างเงี้ยเพราะกิเลสมันชอบไปชอบมาอยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนู้นพอไปตรงนู้นเดี๋ยวก็อยากจะไปตรงนี้ไปอยู่เรื่อยถ้าไปแล้วมันไม่มีวันที่จะนิ่งได้เราต้องปักหลักถึงบอกให้ทำตัวเป็นปัตถภีหรือหน้าด้านควจริงมัไม่นู้นเรพูดหรือเปล่านนะแต่หมอจะพูดเองกงที่ทักคน ถ่ท่ออะไรแบบนี้อาจารย์คนถ่ายท้อน <c oughs> จําแม่นมากเลยมาถึงเโอ้หนูนี่แม่นมากไปเสียวมากแต่แต่เราเคยได้ยินในพระไตรปิฎกบางที่ท่านบอกว่าถ้าเราได้พบกับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพแล้วเราเชื่อมั่นในคําสอนแล้วถึงแม้ท่านจะด่าเราไล่เราเราก็ไม่ต้องไป <c oughs> ท่านจะด่าไงก็ไม่ไปนอกจากท่านลากไปเท่านั้นถึงย่ง เอาตำรวจเรืออะไรมาลากเราไปเนี่ไปแต่ท่านพูดด่าพูดไล่บ า, างทีท่านเป็นการทดสอบทดสอบจิตใจเรามากกว่านี่ไม่ต้องไปท่านบอกอยู่ทำไมไปดีกว่าอยู่เกะ ก, กะอยู่ไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยถ้าคนใจน้อยนี่ไปแล้วแต่ถ้าคนมีใจหนักนั่นมีความเคารพมีความเชื่อมั่นในครูอาจารย์ว่าฝึกตนได้เราฝึกตัวเรายังไม่ได้เราต้องอาศัยครูบาอาจารย์ฝึก ถ้าเราฝึกยังไม่มีวันเรากิเลสมันเราไปกินมดถ้าเราต้องอาศัยครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าจึงบังคับพระบุตรใหม่ให้อยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยห้าปีก่อนให้ท่านเปลี่ยนทิสัยเก่าของเราให้มาเป็นพระก่อนพออยู่กับครูบาอาจารย์ห้าปีนี้มันเริ่มเข้าร่องเข้ารอยแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนที่บ้างก็ได้แล้วถ้าท่านอ น, นุญาตให้ไปได้ แต่ถ้ายังไม่เข้าร่องเข้ารอยถึงแม้อยู่ห้าปีก็ยังไม่ต้องไปให้รู้ว่าตัวเองนี่ปรับตัวเองละมานะทิฏฐิอะไรต่างๆได้แล้วควบคุมจิตใจได้แล้วทําจิตใจให้สงบได้แล้วถึงจะไปเพราะบางทีอยู่ออกับสานักครูบาอาจารย์มันก็ดีอย่างเสียอย่างดีตรงที่ว่ามีครูอาจารย์คอยคุมใจเราแต่ใ น, นขณะเดียวกันมันก็ต้องอยู่กันหลายคน มีภารกิจที่ต้องช่วยเหลือกันเวลาที่จะบำเพ็ญอย่างเต็มที่ก็ยังไม่ได้นี่พอเราได้หลักใจแล้วได้ความสงบแล้วเราอยากจะไปทางปัญญาอันนี้บางทีต้องไปอยู่คนเดียวเพราะการเจริญปัญญานี้เราต้องเดินเราต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาถ้ามีภารกิจต้องทํามันจะพิจารณาไม่ได้ น, นั้นก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง พระที่ไปทุ่ดงเนี่ยท่านเป็นพระที่มีปัญญาแล้วทั้งนั้นส่วนใหญ่ท่านต้องการที่จะไปเจริญปัญญาและปัญญานี้บางทีมันต้องไปอไปมีที่ที่จะทดสอบเป็นสนามสอบด้วยเป็นทดสอบว่าเราละศั ก, กยญาตทิฏฐิได้หรือเปล่าก็ต้องไปหาเสือหาผีหาสิ่งที่น่ากลัวหรือว่ายอมตายหรือเปล่าอย่างนี้ อันนี้ก็ต้องบางทีอยู่กับครูบาอาจารย์มันทาไม่ได้ก็ต้องไปหาที่อนสงสัยประเด็นที่คุณแม่ชีหมอท่านบอกว่าทำไมตอนแรกถึงได้แยกไปภาวนาซึ่งมันน่าจะดีกว่าออกมาคุกคีในภายหลังนะคะก็แม่ชีบอกแยกไปแล้วมันไม่ได้เรื่องใช่ไหมไปแม่ชีเล ย, ยบอกให้ออกมาทากิจกรรม หรือว<ะ>่าเป็นกุศโลบายเพื่อจะมาลดอัตราตัวตนหรือเปล่าคบไม่รู้แหละต้องไปทํามเขาให้ทดลองแบบนี้ไม่ดีก็แบบนี้คือมันก็มีการปฏิบัติสองรูปแบบแบบที่เข้ากลุ่มไปก่อนอาศัายกลุ่มช่วยกันดึงกันไปเช่นพวกที่จับมาไหว้พระสวดมวนต์กันถึงเวลาก็ต้องลงบทไหว้พระสวดมวนต์นั่งสมาธิ ถึงเวลาก็ต้องทํากิจนู่นกิจนี่เก่าอีกพวกหนึ่งที่อยากจะไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวปฏิบัติคนเดียวอันนี้มันก็แล้วแต่คนที่มีกําลังมีมีพลังในใจผลักดันตัวเองได้มีมีวินยัยก็ไปคนเดียวอ่อนที่ยังไม่มีวินยัยไปแล้วก็ฟุ้งซ่านไปแล้วก็นั่งสมาธิไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้ก็อย่าพึ่งไปมันแล้วแต่กรณีใช่ไหม แล้วตอนนี้ยังอยากจะไปไปไปเดินโยงกลมอย่างนั้นนี่ก็ไม่เดินโยงกลมนั่งสมาธิเดียวกันนั่งมากกว่านั่งมากกว่าจะเรียนใยาปกติก็จะทำงานแต่ให้อยู่ที่อยู่ที่งานของเราอะครับก็จะการขวานเนี้มันก็ช่วยเหมือนกันเราจะเห็นใจเราขณะกวานช่วงแรกๆที่ไปก็จะ คิดโน่นคิดนี่อะไรสารพัดแต่พอเราทําจนแบบว่า just do it just do it ขวาดไปเรื่อยๆอย่าไปคิดอะไรมันเป็นแก้การขยับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วอะไรมาก็พยายามตัดสักแต่ว่าไปสักแต่ว่าไปอย่าปรุงแต่งตัดไปจนแบบว่าเราก็มองว่ามันเหมือนแค่งานแล้วก็ทําไปทําไปอย่างนั้นนะคะ อย่ายึดถืออย่ายึดติดทาตามหน้าที่ไปทําแล้วก็จบ <Okay. S 1> แต่ยังไงก็ยังต้องไปนั่งสมาธิต้องทำจิตให้รวมให้ได้ <Okay. S 1> งานต่างๆนี้มีไว้เพื่อตะล่อมจิตให้เข้าข้างในท่านเองเมื่อตะล่อมแล้วเราอย่างไม่ดึงมันเข้าไปมันก็ไม่เข้ามันจะต้องใช้สติดึงเข้าไปพุโทโธพุโทโธ อันนี้ก็มันเรื่องของระดับจิตของแต่ละคนนะบางคนยังไปคนอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไปก่อนอาศัยกิจกรรมร่วมกันชุดลากกันไปถ้าเป็นเรือก็เปแบบเรือพว่วงยังไม่มีเครื่องในตัวเองพวกที่มีเครื่องแล้วก็ไปเองได้ไม่ต้องมารอใครไม่ต้องมีใครมาคอยชุดมาคอยลาก มีอะไรจะสรุปไหมเหลือเวลาหนึ่งนาทีน ะ, ะมาอยู่ไหนพูดผ่านมาเดีกคนก็จะได้ยินนะพูดคนเดียวพูดทําไมอพูดใกล้ปากหน่อยเพียงจะได้ฟังชัดสรุปก็ดีขึ้นนะคะอะอยู่ต่อไปอยู่ต่อไปอยู่กับแม่ชีต่อไปอย่างน้อยก็ห้าพรรษา แล้วตอนนั้นมีโครงการอะไร่ยังจะไปตั้งสํานักเองก็ยังเม่ชีท่านบอกว่าถ้าท่านอันได้ยากให้อยู่แค่ เจ็ดปีถ้าเกิดไม่สามารถปิดอบายได้ในเจ็ดปีเพราะงั้สูตรเจ็ดปีเจ็ดเดือนเวันเจ็ดวันก็ผ่านกันแล้วเจ็ดเดือนหลืออยู่อันสุดท้ายแล้วคะ่ะเจ็ดปีถ้าเกิดว่าเจ็ดปีแล้วยังปิดอบายไม่ได้ก็ให้กลับมาอยู่กับผ้าจานก็สุดแต้แต่ว่าผ้าจาย์จะเมตตารับสักมาบ้าคะ่ะ เราไม่มีที่อยู่เว้ยนี่มันที่อยู่ของพระเป็นแม่ชีอยู่ไม่ได้ถ้าเป็นพระก็อยู่ได้ผ่านหมดแล้วรอบแรกเจ็ดวันก็ให้เวลาสามเดือนต้องไม่ผ่านอ่านเดี๋ยวคงจะได้เองถ้าไม่ขี้เกียจนะขยนะันเจริญสติไปเรื่อยๆแล้วนั่งสมาธิให้มากๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็จะได้เองเอาแล้วนะวันนี้ก็เวลาก็หมดพอดี